การเดินทางไปประเทศทางยุโรปนะมีโยมนิมนต์ไปบรรยายธรรมในหลายประเทศแถบนั้นประเทศหนึ่งที่ได้ไปก็คือสวิสเป็นประเทศเล็กๆนะแต่ว่าสวยงามแล้วก็สงบทีเดียวแค่ออกจากเมือง นิดหน่อยก็จะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามทองทุ่งเขียวะจีบ้านเรือนเขาก็ตกแต่งได้สวยมองไปไกลๆก็เห็นเป็นภูเขามีหิมะนะอยู่บนยอดคือมันเหมือนกับภาพในโปสการ์ดที่เราเห็นนะออกไปนอกเมืองไปเดี๋ยวๆก็ เห็นภาพแบบนี้ได้ไม่ยากดอกไม้เองก็ต้นไม้ป่านี้ก็ขึ้ น, น, นตามทางความสงบนี่ก็เรียกว่าสงบนะทั้งหมายความว่าไม่ค่อยมีเสียงดังในเมืองก็ไม่ค่อยจอแจตามชานเมืองผู้คนก็ไม่ค่อยส่งเสียงดังเท่าไหร่ค่อนข้างจะระมัดระวังการใช้เสียงนะไม่ว่าขับรถะ กดแตรก็น้อยสอดีภาพนี่ก็มีมากทีเดียวนะประเภทอจกรรมหรือว่าการเบียดเบียนกันนะก็ไม่ค่อยมีผู้คนก็มีสวัสดิการเจ็บป่วยหรือว่าตกงานนี่ก็มีเงินของรัฐเนขะ้าไปสนับสนุนก็เรียกว่า คนที่นั่นน่าจะอยู่กันอย่างมีความสุขนะก็คงจะมีความสุขนะอย่างที่เราพอจะคาดเดาได้แต่ที่มีความทุกข์ก็คงจะไม่น้อยมีวันหนึ่งญาโยมก็พาไปพิพิธภัณฑนะ์ที่เมืองเบิร์นะเมืองเบิร์นนี่เป็นเมืองหลวงก็เป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่อะไรนะ พอเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เสร็จก็เดินข้ามสะพานก็เป็นสะพานเก่าแม่น้ำข้างล่างนี้ก็ใสหน่าชมแต่ก็สังเกตว่ามันมีตะข่ายนะตะข่ายเหล็กเนี่ยก็ขึงเอาไว้ตลอดแนวสะพานเลย้ลจาก แนวสะพาน ห, หรือว่าจยเรียกว่าระเบียงหรือมั้งนะก็จะเป็นตะไคร่เหล็กซึ่งมันทําให้เรียกว่าทําลายทัศนียภาพนะแล้วทาให้สะพานนี้ก็ไม่สวยเลยนะก็ถามเขาว่าขึ ง, ขงึตะไคร่เหล็กไว้ทําไมนะตลอดแนวสะพานก็ได้คําตอบว่าเพราะ กลัวคนโดดลงไปฆ่าตัวตายเนะี่ยโดดลงน้ําบ้างโดดลงพื้นบ้างบอร์สพานน่มีคนโดดลงไปฆ่าตัวตายนี่เยอะจนกระทั่งก็ต้องเอาตะไคร่เหล็กมาขึงเอาไว้นะป้องกันอาการฆ่าตัวตายของคนที่นั่นก็คงจะมีมากทีเดียวนะแล้วก็ไม่ใช่ตรงนั้นทีเดียวนะ ญาตยมคนไทยเก็บอกอยังมีที่อื่นอีกนะที่คนเขาโดดลงมานะบางทีโดดลงมาก็ตกลงมาบนหลังคาบ้านของผู้คนก็เดือดร้อนกันอีกอันนี้มันแสดงว่าถึงแม้ว่าเมืองที่นั่นหรือประเทศ น, นั้นเนี่ยนะจะมีความสงบนะแต่ว่าผู้คนจานวนไม่น้อยก็คงไม่มีความสุขเท่าไหร่ ถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะมีเศรษฐกิจดีผู้คนมีสวัสดิการสวัสดิภาพนะแต่ว่าในใจก็คงจะร้อนรุ่มนะไม่สงบมันก็เชื่อเห็นอย่างหนึ่งนะว่าถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะสงบแต่ว่าไม่ได้แปลว่าผู้คนนะจะมีความสุขไปด้วยมีเงินมากหรือว่า มีสิ่งแวดล้อมที่อำนวยนะความสะดวกอย่างไรนะแต่ว่าใจก็อาจจะเป็นทุกข์ได้ส่วนหนึ่งก็ จ, จะเป็นเพราะว่าคนที่นั่นเนี่ยเขาค่อนข้างอยู่กันอย่างเรียกว่าจะเรียกว่าตัวไขรตัวมันก็ดูแรงไปนะจะเรียกว่าต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันนะคนในยุโรปนะ่ะโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆนี่ ก็จะต่างคนต่างอยูนะ่แล้วก็บ้านหนึ่งหรือห้องหนึ่งก็อยู่กันแค่คนเดียวสองคนคนเราเนี่ยมันต้องการนะการาผูกสัมพันธ์กันนะมนุษย์เราถึงไปอยู่กันเป็นชุมชนนะพออยู่คนเดียวนะก็อาจจะเกิดความโดดเดี่ยวอ้างว้าง หลายคนก็อาจจะหาทางออกนะโดยการเอาเลี้ยงสัตว์นะเดี๋ยวนี้ฝรั่งนี่เขาก็เลี้ยงสัตว์กันมากนะเพราะว่าเหงาหรือว่าโดดเดี่ยวซึ่งมันก็ช่วยทั้งช่วยบรรเทาความทุกข์ทั้งกายและใจด้วยนะ เ, เพราะเคยมีการคนพบว่าอาคนที่อยู่คนเดียวเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคหัวใจสูงกว่าคนที่อา่า อยู่กันหลายคนในบ้านหรือว่ามีเพื่อนมีมิตรมีสหายแต่ถ้าอยู่คนเดียวในบ้านก็มีวิธีช่วยให้โรคหัวใจเบาบางได้ก็โดยการเลี้ยงสัตว์นะแต่คนส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์คงไม่ได้เพราะว่ากลัวไปโรคหัวใจนะแต่ว่ามันเหงามากกว่าแต่ว่าบางแห่งบางทีก็เลี้ยงยากนะก็ไม่ให้เลี้ยงถ้าอยู่เป็นอาพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดมิเนียมนะ อนนีคนเรานี่ก็ต้องการนะความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันถ้าอยู่คนเดียวาทางออกไม่ได้ก็กลัดกลุ้มใจนะความรู้สึกอ้างว้างความรู้สึกนะขาดคนที่จะติดต่อสัมพันธ์ด้วยยิ่งถ้าเกิดว่าเกิดวิกฤตในชีวิตบางอย่างเช่นตกงานหรือว่าเจ็บป่วยนะหรือว่า ผิดหวังในความรักนี้ก็ยิ่งทำให้ซ้ำเติมเพิ่ปใหญ่หาทางออกไม่ได้ไม่มีใครจะระบายไม่มีเพื่อนจะนั่งฟังความทุกข์นะสุดท้ายก็เลยฆนะ่าตัวตายมันจมอยู่ในความทุกข์นะมนจมอยู่ในความคิดปรุงแต่งต่างๆนานาข้างนอกนี่สงบนะแต่ข้างในนี่รุ่มร้อน อย่างที่เขาว่าเนี่ยขับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากแต่มันก็น่าสังเกตนะว่าในในประเทศที่ผู้คนต้องปากกัดตินทีบเนี่ยหรือว่าประเทศที่ยากจนเนี่ยคนที่จะค่าตัวตายเนี่ยสัดส่วนนี่มันก็น้อยนะมีอยู่แต่น้อยนะอาจจะเป็นเพราะว่าในประเทศเหล่านั้นเนี่ยผู้คนเขา มีมิตรมีเพื่อนมีชุมชนนะถึงจะลําบากก็ลําบากด้วยกันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปนะก็ทําให้มีที่มีทางที่จะอระบายความทุกข์หรือไม่หรรู้สึกว่ามีเพื่อนร่วมทุกขนะ์ในประเทศที่ร่ํารวยผู้คนอยู่กันนะแบบต่างคนต่างอยู่เนี่ยมันก็มีแนวโน้นแบบนี้เยอะนะคือค่าตัวตายนะสูงไม่่าประเทศทางยุโรปหรือว่าประเทศทาง ตอนหลังนี้ญี่ปุ่นก็เริ่มจะมากขึ้นนะแต่ก็ยังน้อยกว่าทางายุโรปเยอะหรืออเมริกาแอนสงบภายนอกเนี่ยนะมันยังไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขภายในได้นะอย่างที่บอกคนจำนวนมากเนี่ยมีความสงบภายนอกนะแต่ว่าความสงบภายในนหาได้ยากแล้วก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้าว่าตัวเองนี่ต้องการความสงบนะ ความสงบสุขเนี่ยในใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการแต่ว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้รู้แต่ว่าต้องการความสุขแต่ไม่รู้ว่าสุขที่มันประเสริฐนะ่ก็คือความสงบในใจนะไปรู้จักแต่ความความสงบไปรู้จักแต่ความสุขจากวัตถุภายนอกจากสิ่งเสพหรือมิฉะนั้นก็ไปคิดว่าความสนุกนั่นแหละคือความสุขเพราะนั้นก็ไปเที่ยวไปเล่น แต่ไม่ว่าจะเที่ยวไม่ว่าจะเล่นแค่ไหนก็ยังไม่พบกับความสงบในใจแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าตัวเองต้องการมีหลายคนเนี่ยมาพอมาถึงที่เนี่ยสุกโตหรือที่พูหลงเนี่ยประโยคเ์แรกๆที่เขาพูดก็คือว่าเนี่ยที่นี่สงบนะสงบมากพูดด้วยความรู้สึกชื่นชมหลายคนเนี่ยอาจจะเพิ่งรู้ด้ดยซ้ำว่าเออเราต้องการความสงบแบบนี้นะ ก่อนมาเนี่ยจะไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองต้องการความสงบรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยมันขาดอะไรไปบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าขาดอะไระพอมาเจอสถานที่แบบนี้เข้านะก็สึวเออใช่เลยนะนี่คือสิ่งที่เราต้องการหลายคนก็บอกเอออยากจะมาอีกนะบางคนก็อาถึงกับตัดสินใจมาปฏิบัติธรรมหรือว่ามาบวชเลยคนเราบางครั้งเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะ อาจจะเรียกว่าบางครั้งก็ไม่ใช่นะอาจจะเรียกว่าส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้เมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปนะว่าคนเราเนี่ยต้องรู้จักนะต้องรู้จักตัวเองนะการรู้จักตัวเองนี่มันทำให้พบกับความสุขได้และการรู้จักตัวเองอย่างเนี้อคือรู้ว่านะตัวเองต้องการอะไรนะในส่วนลึกของใจนี่ต้องการอะไรนะคนส่วนใหญ่นี่ไม่รู้นะมีแต่คิดว่าต้องการอะไร มีความคิดว่าตัวเองต้องการอะไรแต่พอได้มาแล้วก็อาจจะไม่พอใจหรือว่าไม่ไม่สมอยากก็ได้แม้แต่เรื่องพื้นพื้นนะบางทีก็ไม่รู้นะเด๋ยวนี้คนในยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาหาคู่ด้วยการอาศัยบริการาหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตนะเพราะอย่างที่บอกทีนี้ก็ผู้คนนี่ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ เจอกันแต่ในวงแคบๆเพราะก็เลยคนที่ไม่มีคู่เขาอยากจะหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตมีบริการออนไลน์ยื้ยไปหมดนะแล้วคนจำนวนมากเนี่ยก็มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็พบคู่คู่ครองเนี่ยทางอินเทอร์เน็ตนะโดยการใช้บริการหาคู่ส่วนใหญ่ก็จะให้กรอกนะว่าต้องการต้องการสเปกแบบไหนนะ คู่ครองที่อยากได้เนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรนะีเรียกว่าสเปคกัแล้วกันนะเช่นถ้าเป็นผู้ชายก็จะระบุว่าต้องการผู้หญิงผมทองนะแล้วก็ชอบเล่นกีฬารักสัตว์ ท, ทาครัวเป็นอะไรเงี้ยก็เขียนไปบางทีอาจจะระบุด้วยศาสาศนาอะไรแต่ปรากว่าส่วนใหญ่ที่พอได้ได้พบคู่เนี่ยหรือว่าได้รู้จักแล้วก็ชอบพอกันติดต่อ ก, กันยาวนานจนกระทั่งแต่งงานกันเนี่ย ให้คู่ครองที่ตัวเองพบเนี่ยแล้วก็ตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยสเปคนี่มันต่างจากที่ตัวเองเขียนไว้เยอะเลยนะไอ้ที่เขียนไว้อย่างหนึ่งแต่ว่าไอ้ที่ตกลงว่าจะอยู่กันเนี่ยหรือว่าคบหากันเนี่ยอีกแบบหนึ่งเลยเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ด้วยเพราะอะไรนะก็เพราะว่าพอไปเจอคนที่พอไปเจอบางคนแล้วเนี่ยก็พรเออเนี่ยใช่ เพึงถึงพึงมารู้ว่าเนี่ยใช่เพราะเขามีคุณสมบัติบางอย่างนะซึ่งอาจจะไม่ได้นึกมาก่อนว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการเช่นอาจจะเป็นคนที่มีน้ําใจอบอ้ อ, อมอารีเนี่ยหรือว่าอาจจะมีสเปคอื่นมาเห็นค่อยรู้ว่าเออเนี่ยคือคือคือคนที่เราคิดว่าใช่หรือรู้สึกว่าใช่นะแต่ก่อนนั้นนั้นเนี่ยน่ยไม่ได้นึกถึงเลยนะมาเห็นแล้วกค่อยรู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการ เนี่ยขนาดเรื่องพื้นๆแบบนี้นะคือเรื่องคู่ครองเนี่ยแล้วยิ่งเรื่องที่มันลึกไปกว่า น, นั้นคือเรื่องในใจเนี่ยนะคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะว่าตัวเองต้องการอะไรนะแต่ว่าพอจะรู้ก็ต่อเมื่อได้เจออะไรบางอย่างในได้เจอสิ่งที่ตังต้องการฝรั่งหลายคนเนี่ยก็แสวงหานะไม่รู้ตัวเองต้องการอะไรลูกโซ่มันขาดพอเดินทางมาถึงอินเดียอก็รู้ว่าเออเห็นคน เห็นคนเขาอยู่กันนะอนะอย่างมีความสุขนะพึงพาอาศัยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือว่าเห็นนักบวชเห็นลามะท่านอยู่อย่างสงบนะท่านมีความนะอบอ้อมอารีข้างในใจก็สงบก็เพบว่าเออเนี่ยใช่คือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือสิ่งที่เราแสวงหามาตลอดหลายคนมาเมืองไทยนะแล้วก็พอได้ เจอพระหรือว่าได้ไปสัมผัสกับบรรยากรรยาศของวัดป่าก็ก็รู้เลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการไอ้ก่อนนั้นเนี่ยไม่รู้นะพอได้มาเจอถึงรู้ว่าใช่เลยนะหลายคนก็เลยบวชนะหรือว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็บวชได้ยาวเด้ว ย, ยาการรู้ว่าตัวต้องการอะไรเนี่ยนะโดยเฉพาะในส่วนเรื่อของใจนสําคัญมากไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าตัวเองต้องการแต่ต้องรู้เลยนะ ส่วนใหญ่นี่ก็ไปถูกขัานนิยมสังคมเนี่ยไปบงการว่าเออควรจะชอบอย่างนี้ควรจะต้องการอย่างนั้นเนีในเรื่องการมีทรัพย์สินเงินทองการมีความร่ํารวยการมีชื่อเสียงมีหน้าตาก็คิดว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องการแต่พอได้มาแล้วก็ยังยังเป็นทุกข์และถ้าดูให้ดีพิจารณาอย่างลงไปในใจก็จะพบว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยนะก็เพราะ ไอ้สิ่งเหล่านั้นเองสิ่งที่ตัวเองแสวงหาหรือคิดว่าต้องการเนี่ยที่จริงไม่ได้ต้องการจริงๆคนเราเนี่ยนอกจากจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วเนี่ยแล้วเมื่อมีความทุกข์เนี่ยก็ควรจะรู้ไปถึงข่านว่าเออแล้วมันทุกข์เพราะอะไรอยากได้ความสงบแต่ว่ามันไม่ได้ความสงบสักทีเพราะอะไรเราก็ต้องมองเข้าไปในใจของตัวแล้วถ้ามองหรือว่ารู้จักมองตนเนี่ยก็จะพบว่าโอ้ มันทุกข์เพราะความคิดนั่นเองไอ้ความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นตัวทําลายความสงบในใจแต่ที่จริงเจ้าจะเพื่อให้ถูกจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดนะที่เป็นตัวสร้างทุกข์หรือว่าทําลายความสงบในใจเนี่ยแต่เป็นเพราะไม่รู้ทันความคิดมากกว่าคือคิดเนี่ยแล้วรู้ทันความคิดเนี่ยนะมันก็จะวางได้นะแล้วก็ไม่หลงเตลอดเปิดเปิ่ไปตามความคิดไม่ไปให้ความคิดนี่มันเล่นงาน พอรู้ทันความคิดปล่อยวางความคิดได้มันก็ความสงบก็กลับคืนสู่จิตใจจะเรียกว่าธรรมชาติของใจเนี่ยมันก็มุ่งไปสู่ความสงบก็ได้นะร้อนเพียงใดเนี่ยนะถ้าปล่อยสักพักเดี๋ยวก็จะสงบได้มันเหมือนกับน้ําร้อนร้อนเนี่ยน้ําเดือดเนี่ยนะถ้าเราเอาออกจากเตาเนี่ยมันก็จะค่อยๆกลับคืนนะสู่ความปกติ นะก็จะหายร้อนหรือของเย็นเย็นจัดเนี่ยนะน้ำแข็งเนี่ยเอามาวางไว้นะออกจากตู้เย็นมาวางไว้นะเดี๋ยวมันก็กลับคืนสู่ความปกติจิตที่มันรุ่มร้อนเนี่ยนะถ้าไม่ไปไม่ไปยุยงส่งเสริมเนี่ยนะมันก็กลับคืนสู่ความเย็นความปกติได้นะแต่ว่าเป็นเพราะไอ้ความคิดปรุงแต่งเนี่ยแหละที่ปรุงแต่งซ้ำซาก หวนคิดแล้วหวนคิดอีกไม่ยอมเลิกไม่ยอมลาเนี่ยก็เหมือนกับว่าทําให้มันมันอ่ไม่สงบสักทีไอ้ที่เป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะละไรพ่อไม่รู้ทันความคิดนะนะพอไม่รู้ทันแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นยึดแก่เป็นแบกไปเลยนะอย่างที่หลวงพ่อท่านใช้คำว่าเห็นเนี่ยถ้าไม่เห็ น, นมันก็เข้าไปเป็นเลยนะแม้กระทั่งไอ้สิ่งที่เห็นแม้แต่แม้กระทั่งสิ่งที่เป็นนะั้นแล้ก็เป็น นำมาซึ่งความทุกข์เช่นเป็นผู้โกรธเป็นผู้เกลียดเป็นผู้ปวดนะเป็นทีแไหนม ก, ก็ทุกทุกทีนะแต่ว่าก็ยังก็ยังไม่ยอมสลัดไม่ยอมวางนะมันเข้าไปยึดเซลานะพอไม่เห็นนิ่งก็เข้าไปยึดเลยนะหรือว่าเข้าไปอปรุงแต่งด้วยความอยากนะคนเรายึดคนเราอยากเนี่ยนะมันไม่ได้ยึดเฉพาะสิ่งที่ชอบนะสิ่งที่ไม่ชอบก็ยึดนะ แม้ว่าอยากจะผักใส่นะแต่ว่าใจมันก็อดยึดไม่ได้ยิ่งโกรธยิ่งเกลียดใครเนี่ยก็จะยิ่งคิดถึงคนนั้นบ่อยยิ่งคิดถึงคําพูดยิ่งคิดถึงการกระทําของเขาก็ยิ่งทําให้ร้อนยิ่งทําให้ทุกข์มากขึ้นใจมันก็เลยไม่สามารถจะกลับคืนสู่ความปกตินะสู่ความสงบได้สักทีมันก็ว้าวุ่นรุ่มร้อนอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าอ มันดูใจมันมองตนเนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งที่มันทำให้เราไม่สามารถจะเพาะความสงบในใจได้เนี่ยคือความคิดปรุงแต่งหรือว่าความหลงไม่รู้ทันมันนั้นเองซึ่งทำให้เกิดความติดยึดนะเมื่อรู้ทันมก็จะวางที่จริงระหว่างการยึด ก, กับการวางเนี่ยอะไรมันง่ายกว่ากันนะระหว่างการแบกกับการปล่อย แบกนี่มันยากก็อยู่แล้วปล่อยนี่มันง่ายนะนะเวลาจะแบกอะไรนี่โอมันต้องใช้พลักกำลังมากต้องใช้ความอดทนหรือว่าทำให้เกิดความทุกข์แต่ปล่อยนี่มันง่ายแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยแบกชอบแบกนะชอบยึดนะพอให้ปล่อยให้วางนี่ทำยากนะของหายเนี่ยก็จะเอาแต่นึกถึงสิ่งนั้นทั้งที่นึกไปแล้วก็ทุกข์นึกไปแล้วก็เสียใจนะ ปล่อยเมื่อไหร่ก็สบายนะแต่ก็ยังไปแบกไปยึดสิ่งนั้นเอาไว้นะไม่รู้จักฉลาดนะในการแก้ปัญหาของตัวเองแต่ถ้าเกิดรู้ว่าเนี่ยเออเราต้องการความสงบนะแต่ความสงบมันเกิดขึ้นไม่ได้ก็เพราะว่าชอบคิดชอบปรุงแต่งแล้วก็ไม่รู้เท่าทันทำให้เกิดการยึดติดนะพอรู้ว่าใจแห่งทุกข์คืออะไรเนี่ยไอการที่จะ ปล่อยการที่จะวางมันก็ง่ายขึ้นเจอมีมีอะไรมากระทบก็มีสติรู้ทันแล้วก็สามารถที่จะโน้มน้าวใจให้ปล่อยให้วางหรือว่าสามารถจะปล่อยวางได้ทันทีนะถ้าหากว่ามีสติมีวันหนึ่งก็ไปไปที่กรุงมีช่วงหนึ่งไปที่กรุงมาดริดนะสเปนกรุงมาดริดนี่ก็คนไทยก็ไม่เยอะนะแต่ก็มีจํานวนหนึ่ง วันสุดท้ายนี่ก็ก่อนที่จะกลับเข้าฮอลแลนด์นะโยมคนไทยเขาก็พาไปพิปพิธภัณฑ์นะหลังจากพิพิพิธภัณฑ์เสร็จก็ใกล้เวลาเพลงพอดีก็พาเข้าร้านอาหารร้านอาหารนี่คนก็เยอะนะแล้วก็ระหว่างที่รออาหารก็คุยกัน โยมคนนี้แกก็เป็นฝ่ายคุยเป็นหลักนะคุยออยู่ตลอดเวลาส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งก็นั่งฟังนะระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยนะแกก็เอากระเป๋าอันนี้เป็นผู้ชายนะเอากระเป๋าหนังเนี่ยวางไว้ข้างหลังข้างหลังไม่เป็นพนักนะ มันเป็นเก้อี้แล้วมีพนักแล้วก็เอากระเป๋าเนี่วางไว้ข้างหลังแล้วก็ตัวนี่ก็อาจจะพิงกระเป๋าอยู่บางอยู่ในบางช่วงด้วยพออาหารมาก็กินอาหารกินไปก็คุยไปพอกินอาหารเสร็จได้เวลาจ่ายเงินนะเขาก็ส่งเขาก็ให้บินมาแกก็ไปหยิบกระเป๋าปรากว่ากระเป๋าหายแล้วมีคนคว้ากระเป๋าไปแล้วทั้งที่กระเป๋าแกเนี่ยอยู่ข้างหลังแกนะ แล้วก็ในร้านก็มีคนเยอะแล้วก็ที่กินด้วยกันนี่ก็กินเป็นกลุ่มนะประมาณหกเจ็ดคนนะทั้งหกเจ็ดคนนี้ก็ไม่มีใครหลับสักคนนะก็แต่ปรากฏว่ามันมีคนเนี่ยนะมือไวมากนะสามารถที่จะล้วงหยิบเอากระเป๋ากระเป๋าใหญ่ด้วยนะกระเป๋าแบบมันก็กระเป๋านักเรียนกันเนะี่ยไม่ใช่กระเป๋าใส่สตังค์นะ สามารถจะหยิบเอากระเป๋าใบนั้นเนี่ยออกมานะจากเก้าอี้แล้วก็หายตัวไปอย่างไม่มีร่องรอยโดยที่คนที่อยู่ตรงข้ามกับโยมคนนั้นเนี่ยนะก็รู้นะว่ามีมผู้ชายอยู่สองสาคนมายืนอยู่ข้างๆแต่คิดว่าเขาคงมาจ่ายเงินแต่ว่าคนกลุ่มนั้นนี่ขว้ากระเป๋าไปตอนไหนไม่รู้ เจ้าของกระเป๋านี่เขาก็เขาก็บอกว่าเขาพลาดไปนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาตั้งใจจะกระเป๋านี่มาวางไว้บนตักนะเพราะเขารู้ว่ามดริดเนี่ยพวกมิชชาชีพเยอะนะสเปนเนี่ยมดริดรือว่าอิตาลีเนี่ยนะมิชชาชีพจะเยอะมากแล้วเขาก็อยู่ที่สเปนมานา น, นเรียนไปเรินญาเอกเขาก็รู้ว่าอ่าเผลอไม่ได้นะก็ตั้งใจว่าจะเอากระเป๋าวางไว้บนตักนะ ไม่ใช่วางไว้ข้างหลังนะแต่ว่าคงคุยเพลินนะเพิอแป๊บเดียวกระเป๋าหายแล้วในนั้นก็มีเอกสารเยอะแยะนะไอ้เงินไม่เท่าไหร่เพราะว่ามีเงินก็แค่ส0มิยูโรโยูโรนึงก็ประมาณสา4สิบสี่สบาทก็พันกว่าบาทแต่ว่าไม่ไม่ค่อยน่าเสียดายไอ้ที่น่าเสียดายคือพวกเครดิตการ์ดพวกบัตรประชาชนพวกบัตร อนุ ญ, ญาตให้อยู่พำนักในประเทศสเปนแกแกก็ใจเย็นนะแกะก็ไม่ได้เดือดเนื้อดูเป็นทุกข์อะไรก็เพียงแต่หยิบโทรศัพท์ไปไปบอกธนาคารว่าให้อายัดนะเครดิตกรารดูแกก็ไม่มีความวิตกทุกงร้อนอะไรนะพอจัดการธุรษ ก, ก็บอกเออนะถึงมันไม่หายวันนี้มันก็หายวันหน้านะ การคิดแบบนี้ก็ทําให้นะไม่ได้วิตกทุกร้อนอะไรไม่หายวันนี้ก็หายวันหน้าคือเตรียมใจไว้แล้วว่าไอ้การของหายเนี่ยหรือความพัดพร่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยนะอนปินหาปจเวเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้นะความเจ็บความตายเนี่ยเราทั้งความพัดพราาด้วยนะ เราจะต้องพักพลากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นแกก็เป็นคนสนใจพุทธศาสนานะสนใจสมาธิภาวนานะนะพอเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแกก็ทำใจได้วางใจถูกนะก็คือปล่อยวางไนอะ้ที่เสียก็เสียไปนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะความสงบสุขก็กลับคืนมาสู่จิตใจของแกนะไม่ได้วิตกทุกร้อนอะไร อันนี้คือคือสิ่งที่เราเนะควรจะต้องรู้จักนะวางใจให้ถูกนะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะแม้อยู่ในที่ที่สะดวกสบายนะความพัดพรากก็เกิดขึ้นได้หรือว่าสิ่งที่ไม่ถูกใจก็เกิดขึ้นได้เสมอนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้แปลว่าใจจะต้องเป็นทุกข์ไม่ว่า ไม่ได้แปลว่าใจิตใจจะว้าวุ่นความสงบสุขจะหายไปเพราะสุขหรทุกข์มอยู่ที่ใจนะนะแต่เราเราจะรู้จักวางใจถูกก็ต้องรู้ว่าเออมันทุกข์เพราะอะไรนะมันทุกข์ไม่ใช่เพราะว่ามีคนเอาไปแต่มันทุกข์เพราะว่าเรายัยางยึดติดในสิ่งที่สูญเสียไปมากกว่าคนอื่นเอาไปก็ไม่ทําให้ทุกข์นะถากว่าเอปล่อยวางได้ แต่ว่าถ้าวางถ้าไม่รู้จักดูใจเนี่ยก็จะไปคิดว่าที่เราทุกข์เนี่ยก็เพราะว่ามีคนเอาของเราไปนะแต่ไม่ได้คิดว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ย <ultura S 1> นเนยพราะไปยึดว่ามันเป็นของเราตั้งแต่แรกหรือไปคิดไปยึดว่ามันจะต้องอยู่กับเราไปนานๆไอ้นนนของเรานั้นนะไม่ได้นึกถึงความพัดพร่าที่ต้องจากกันเลยแต่ถ้าระลึกหรือเตือนใจอยู่เสมอ ว่าเนี่ยมันเป็นธรรมดาเป็นความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นนะแล้วก็รู้ทันนะเวลาใจมันหวนึกไปถึงสิ่งที่สูญเสียไปด้วยความอาลัยรู้ทันแล้วก็เออมันก็จะวางได้ใจกลับเป็นปกติก็จะพบความสงบเย็นได้ของหายไปนะแต่ว่าใจยังเป็นปกติแต่บางคนที่ของยังอยู่นะแต่ว่าใจเป็นทุกข์นะเพราะว่าอยากได้เพิ่มอยากได้อีกอยากได้มาก นะถ้าอยากจะถ้าในเมื่อรู้ว่าความสงบสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตใจต้องการเนี่ยก็ต้องรู้ไปต่อไปด้วยว่าเนี่ยอะไรทําให้ใจไม่สงบสุขแล้วถ้ารู้ไปถึงคั้ว่าโอเป็นเพราะว่า ว, า, วางใจไม่ถูกหรือว่าเพราะความคิดปรุงแต่งหรือว่าไม่รู้ทันความคิดปรุงแต่งนั้นทําให้เกิดความคิดความอยากพอรู้เข้าเนี่ยมันก็จะมันก็จะสามารถป ล, ปลดล็อกได้ง่าย อะไรจะมาทำให้ทุกข์ใจก็ทุกข์ใจได้ไม่นานก็รู้จักพนะาใจกลับคืนสู่ความปกติได้เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นธรรมดาหรือเพราะวางได้ปล่อยได้อาชาเนี้พื่อนกับท่านี้นะครับครับ